ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมาวิทยาลัยศรีปทุมกำลังนำเสนอเชตวันาสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยพระเชตวันหรือบางครั้งก็เรียกว่าอนาทบินทิกสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยเทพบุตรชื่อว่าอนาตบินทิกะ วันก่อนได้ปรารฏถึงขาถาที่อนาถบินธิกะเทพประบุตรได้กราบทูลพระพุทธเจ้าถึงความรู้สึกชื่นชมอย่น ด, ดีต่อพระเชตวันซึ่งเป็นอารามที่ท่านสร้างขึ้นสมัยยังเป็นมนุษย์เพราะว่าเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าผู้เป็นธรรมราชา เป็นที่อยู่ของมารุสีทั้งหลายโดยความหมายก็คือว่าเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าและพระหันทั้งหลายในฐานะผู้สร้างก็มีความรู้สึกชื่นชมยิน ด, ดีปิติปรามโหดแต่ว่าเมื่อมองไปที่กลุ่มของพระหันทั้งหลายเนี่ย จะมีความหลากหลายในด้านของวันะนและภูมิหลังที่มีความยิ่งย o อนแตกต่างกันบางครั้งก็เรียกว่าอยู่คนลบุมทีเดียวเช่นพระหรนระดับพระมหากษัตริย์เนี่ยมีพระพัฒยาเทระพระมหากปินาเทระแล้วก็พระปุกุสาติ แต่วันนี้ก็นิพานไปก่อนแล้วก็มีระดับพระราชนีเช่นอโนชาก็ดีหรือพระนางมหาประชาบดีก็ดีหรือพระพระัทธกจานาสรุปว่ามีทุกระดับทำไมถ้าเห็นชัดเจนว่ า, ามนุษย์เราเนี่ยในแง่ของความจริง จะเป็นคนดีคนเลวไม่ได้เกณฑ์กําหนดที่ชาติสกุลหรือว่าที่ความมีทศัพด์แต่ว่าคนจะประเสริฐได้เนี่ยด้วยคุณธรรมห้าประการก็หมายความว่าเป็นการมองจากฐานของคุณธรรมถามว่าเป็นสากลไหมมาเป็นสากลระดับบัณฑิตน ะ, ระครับสากลพานยังงองกันที่ สถานะทางตระกูลท า, าาทางสานะทางทรัพย์สินสานะทางสังคม ต, ตลอดถึงฐานันดรตำแหน่งชั้นยศต่างๆก็มักจะมองในแนวนั้นอย่างที่เราพบคำกล่าวของท่านสนังกุมารพรหมว่ากตโยเสโทชเนตสมิ้งเยโกตัปไปสาริโน ในหมู่คนที่ยังถือชาติโคตดสกุลแท้กันอยู่ก็เป็นความจริงถูกต้องระดับสังคมกษัตริย์ก็ชื่อว่าเป็นผู้ประเสริฐสุดคือถ้าเอากันในประเด็นนั้นประเด็นวันนาเนี่ยกษัตริย์เป็นผู้ประเสริฐที่สุดแต่ว่าท่านที่สมบูรณ์ในวิชาจรณะเป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เพราะเราเห็นว่าประเด็นของท่านท่านอนาถวินทิกาเทพบุตรก็คือประเด็นเดียวกันก็เน้นที่ตัววิ ช, ชากจารณะคือความรู้ดีความประพฤติดีแต่ว่าตัววิ ช, ชาเนี่ยมันเป็นเหตุแล้วก็เป็นผลคือหมายความว่าการศึกษาเรียนรู้ของเราเนี่ยทำหนะ้าที่ขจัดความไม่รู้ไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งเราก็อยู่ในความรู้ แต่เราเริ่มต้นมาจากความไม่รู้ในขณะเดียวกันเมื่อเราศึกษาเรียนรู้แล้วมันก็ปรับที่เจรณนะคือความประพฤติให้มีการเปลี่ยนแปลงอาการกายวาจาใจจนถึงจุดหนึ่งก็สมบูรณ์ทั้งวิชาและจะรณนะเป็นภาพที่สะท้อนออกมาเป็นวิถีชีวิตของคนเรานั้นเจรุจ้าประหารทั้งหลายเนี่ยเราจะเห็นว่า ก็เป็นการแสดงออกให้เห็นซึ่งวิชาจรณะที่ดำรงอยู่มั่นคงอย่างนั้นบาลีตะเดียวกว่าตาทิโนคือคงที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงไม่เป็นอย่างอื่นรู้ยังไงก็รู้อย่างนั้นบริสุทธ์ยังไงก็บริสุทธ์อย่างนั้นมีความกรุณาต่อสรรพชีบิตยอย่างไรก็คงกรุณาอยู่อย่างนั้น ทุกคนจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ว่าพระสงมองในรูปของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายหรือสิ่งมีลมหายใจเข้าออกทั้งหลายเพราะงั้นมันจึงไม่มีเผ่าพันธุ์มีชาติพันธุ์อะไรไม่มีระบบวรรณะอะไรก็คือมีสิ่งมีชีวิตทั้งหลายสิ่งมีลมหายใจเข้าออกทั้งหลายเนี่ยรเราเห็นว่าเอาก็จริงเนี่ยศีนข้อที่หนึ่งเนี่ย เราก็สอบผ่านกันน้อยนะสอบผ่านยากแล้วกันเพราะอะไรเพราะว่าโดยยังมีความเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาและยังเบียดเบียนประทุษร้ายกันก็กลายเป็นปัญหาที่ยากต่อการแก้ไขให้ยุติลงก็คงทำได้ระดับของการบรรเทา พ่นประเด็นที่นานอนาทบินกักเศรษฐีอนนต์ปะบินกักเทพประบุตนะฮตอนนี้เป็นเทพประบุตก็ถวายความเห็นต่อพระพักของพระพุทธเจ้าว่ากำมังวิชาจะทำโมจะสีหลังชีวิตมุตตะมังเอเนตนะสตาสุชันตินะโกเตนะนาทานเนนวาบุคคลทั้งหลายย่อม บริสุทธ์ด้วยการกระทำด้วยวิชาด้วยธรรมด้วยศีลแล้วก็ด้วยชีวิตที่อุดมไม่ใช่บริสุทธ์ด้วยโคตรตระกูลหรือวัทรั์สบัติก่อนๆในพูดในประเด็นของกรรมคืออย่างที่บอกว่ากรรมนั้นถ้าเขามาโดยลำพังเนี่ยกรอบเขาจะใหญ่ หมายความวาการกระทําทั้งปวงยกเว้นการกระทําของพระหันมันก็เป็นกรรมด้วยกันเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลหรืออัพยากฤิก็ว่ากันไปแต่ว่าในที่นี้เนี่ยเนื่องจากท่านจําแนกไปตามโครงสร้างของอริมักองแปประการท่านก็นิยามของท่านไว้ว่ากรรมในที่นี้หมายถึงกุศลขบวนสามข้อแรกก็คือศีลสามข้อแรก แต่แกการงดเว้นจากการประทุษรายต่อชีวิตประทุษรายต่อทรัพและการล่วงละเมืดในทางเพศจะเรียกว่าเป็นมัคคเจตนาคือเจตนาในองค์มัคมันเกิดด้วยความดำริชอบความเห็นชอบระลึกชอบและก็ความพยายามชอบก็ตั้งสติชอบ จนจิตใจส ง, งบจากความวัฏทะกเจตนาคือเจตนาที่จะฆ่าเจตนาที่จะรักเจตนาที่จะล่วงละเมิดในทางเพศก็ในแง่ของความเป็นจริงมันก็คลุมทั้งศีลสมาธิปัญญาแต่ว่าอาการเด่นที่ปรากฏเป็นรูปธรรมเนี่ยมันก็คือสมากมันตะคือการประพฤติชอบ ประการต่อไปก็คือวิชาได้แก่มัคคับัญญาปัญญาที่ประกอบด้วยมัคหรือความเห็นอันถูกต้องก็ได้แก่สมาทิฏฐิคือปัญญาเินชอบแล้วก็สมาสังกปะคือความดํารีชอบตัวนี้ก็กลายเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่นะฮะคือ แต่ทำยังไงเราก็แก้ยากกระดาษความเห็นผิดเนี่ยแก้ยากกับความคิดผิดเนี่แก้ยากยิ่งในยุคสมัยปัจจุบันเออถือว่าปยุคสื่อสารโทรค ม, มนาคมยุคข้อมูลข่าวสารเอ่อความคิดอ่านในเรื่องเดียวกันเนี่ยมันต่างกันจนไม่รู้เอาเกณฑ์อะไรมามาตม า, ม า, ม า, มาวัด ถทางที่ง่าของความจริงแล้วเราก็มีเกณฑ์วัดนะฮะคามคิดแบบง่ายๆก็คือว่าความเห็นหรือการคิดอะไรก็ตามที่นําความเดือดร้อนมาสู่ตนเองถ้าทําไปตามนั้นถ้าพูดไปตามนั้นก็จะเกิดความเดือดร้อนทั้งเกตตัเองและกับุคคลอื่นความคิดเห็นอย่างนั้นก็ไม่ถูกต้อง คิดแบบง่ายๆคือไม่ต้องรุงรังปันสมาธทิิที่แปลว่าปัญญาเห็นชอบเนี่ยในเรื่องใหญ่ก็คือเห็นชอบในกฎของกรรมที่ท่านจับแนกไว้เป็นเป็นห้าอย่างอาจจะเป็นหกอย่างคือหนึ่งความเห็นชอบในกฎของกรรม ตามที่ทรงสอนให้สูดสาธยายเนะี่ยคนเรามีกรรมเป็นของตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยก็ยทําการบได้ไว้จะดีหรือชั่วก็ตามจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นมีความเห็นชอบในกฎของปติลักษณ์คือความไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นหน้าตาเนี่ย มันเป็นกฎที่ครอบคลุมสปปรรพสิ่งเอาไว้ไม่ว่าสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตมันก็ตกอยู่ในกฎของตรรกะเพราะความไม่รู้ตรักะเนี่ยทำให้ความเห็นวิปลาสคลาดเคลื่อนจากความจริงแล้วก็ไปเพิ่มตันหามานะทิฏฐิขึ้นมาก็กลายเป็นความคิดจ่รุนแรงความเห็นี่รุนแรงแล้วการกระทที่รุนแรงและการพูดี่รุนแรง เพราะถ้าเราเห็นชอบในกฎของกรรมละ เ, เห็นชอบในกฎของประจักรักต่นหามานาทิฏฐิมันจะลดลงพลกรรมมันจะประ น, นีดขึ้นคือจะเป็นกุศลสูงขึ้นแล้วก็ให้ความสำคัญแก่ก็ เ, เรียกว่าตัวเหตุที่จะก่อให้เกิดผลในทางดีงาม หมายความมีการจําแนกชัดเจนวันนี้เป็นทางเสื่มนี้เป็นทางเจริญนี้เป็นทางสุขนี้เป็นทางทุกขนี้เป็นสุกตินี้เป็นทุกติและมาการนีกเว้นทางแห่งทุกติดำเนินไปสู่เส้นทางแห่งสุกติซึ่งในภาคสนามที่จริงทํานองคล้ายๆกับทางซ้ายมือขวามือนะหมายความเมื่อเราไปทางขวามือเราก็ไม่ได้ไปทางซ้ายมือ เราไปทางซ้ายมือเราก็ไม่ได้ไปทางขวามือก็หมายความว่าการทำดีก็คือละชั่วอยู่ด้วยในขณะนั้นการเว้นจากความชั่วก็คือทำดีอยู่ด้วยในขณะนั้นเนีาการเว้นจากความชั่วที่จริงก็เป็นการทำดีระดับศีลการทำดีเป็นการทำดีระดับธรรมะระดับสมาธิระดับปัญญาก็ว่ากันไป เรียนชอบเป็นตัวผลซึ่งเกิดขึ้นจากกรรมที่บุคคลได้กระทาลงไปเป็นสุกุตามเป็นทุ ก, กุตามเป็นความเสื่อมก็ตามเป็นความเจริญก็ตามตรงนี้ที่จริงเป็นเรื่องใหญ่เราไม่ต้องเอาไกลนะเอาระดับสังคมเนี่ยมันถ้าเชื่อมโยงมากับจากกฎของกรรมบุคคลที่เรารักเราชังก็ตามประสบความเจริญ แล้วก็ชื่นชมยินดีกับเขาประสบความเสื่อมเราก็ทำใจอยู่ด้วยเบียดขาแต่ว่าในแง่กฎของการามท่านแง่สังคมแนะ่ที่จริงพูดยากนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าสังคมนั้นไปวินิจฉัยตัดสินกันด้วย เ, เรียกว่าตัวบทกฎหมาย ทีนตัวบทกฎหมายเนี่ยบางครั้งบางคราวมันไม่ยุติธรรมที่ตัวบทกฎหมายเพราะตัวบทกฎหมายมนุษย์ที่มีกิเลสสร้างขึ้นน่คืออย่างนึกถึงศีลกับกฎหมายว่าศีลมันมีความชัดเจนในตัวเขามันมันไปผูกโยงกับกฎของกรรมที่จริงกฎหมายก็ผูกโยงกับกฎของกรรมเดี๋ยวกฎหมายบางครั้งเนี่ยมันไม่ยุติธรรม เพราะว่าคนที่เขียนหรือคนวินิจฉัยคนตีความมันเรื่องมันเยอะมากคือฟังนักกฎหมายเขาขเขาพิปราย้วนะในประเด็นเดียวกันเนี่ยเอ๊ะมันพูดคนละเรื่องก็แสดงว่าแม้แต่คำว่าประชาธิปไตยเนี่ยเอาก็อจริงเนี่ยเราเถียงกันแล้วตีกรอบไม่ถูกแล้วกรอบประชาธิปไตยมีอยู่ทุกไหนอะไรเรียกว่าเป็นประชาธิปไตยหรืออะไรเรียกว่าไม่เป็นประชาธิปไตย เพราะไรเพราะว่าเป็นเรื่องระบบความคิดเห็นท่านั่นเองมันไม่ใช่เรื่องสัตว์จะทําอะไรแต่ถ้าตัวนี้ถ้าเราเกณฑ์ของพระพุทธเจ้าเข้าไปจับประชาธิปไตยมันคือโลกาธิปไตยโลกาธิปไตยนั้นข้อสาคัญต้องใช้ปัญญาพิจารณาแยกแยะแล้วก็ไม่เป็นเหตุที่จะเพิ่มโลภาราคะโทสะโมหะ เพราะปัญญาบรรทมหน้าที่ลดความเข้มข้นของโมหะทุกอย่างมันต้องยุติโดยเหตุผลและความดีเพราะงั้นเราจะเห็นว่ามัคคะสมาธิทิกับภะละสมาธิทิหมายความว่ามีความเห็นชอบในตัวเหตุและก็มีความเห็นชอบในตัวผลเนี่ยเป็นเรื่องที่จะต้องอาศัยปัจจเวคขณะสมาธิิตคือเพ่งพิจารณาตรวจสอบเชียบเคียงสอบทาน หลายๆเรื่องและที่สำคัญอย่างยิ่งคือดูที่ใจเราด้วยคือเราคิดยังไงเมื่วันก่อนไปออกรายการโทรทัศน์กันก็มีพิธีกรสองสองคนนะฮะแล้วก็มีวิทยากรสองคนอาหมาก็เป็นหนึ่งในวิทยากร มันก็ตั้งเกณฑ์ขึ้นมาว่าเออทำยังไงที่เรียกว่ายุติธรรมมัก็บอกว่าต้องบุติกรรมถ้าเราเทียบเคียงเนี่ยคือพอดีพวกเราเป็นเป็นครูบาอาจารย์ด้วยกันในชะ่ไหมคือมามีอย่างหนึ่งคือการตรวจข้อสอบเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่บวชมาเลยตั้งแต่เริ่มเป็นกรรมการตรวจข้อสอบมาแม้แต่สอนหนังสือเราไม่เคยดูว่าใครเป็นคนตอบ แต่เราดูเขาตอบว่ายังไงแล้วก็ความถูกต้องเนี่ยว่าอย่างไงเราก็ให้ไปตามนั้นนะ่ะพระวิธีของพระเนี่ยอย่างหนึ่งคือเราใช้เลขเ แ, แล้วใช้โค้ดนะฮะพอถึงจุดหนึ่งใช้โค้ดเลยบนกองเลขาท่านเองจะรู้ว่าเนี่ยคำตอบของใครของใครเดี๋ยวทางโลกเนี่ยเขาไปรู้ว่าใครตอบแต่ว่าของพระนี่รู้ว่าตอบว่ายังไง คือใครตอบเราไม่รู้ว่ารู้ว่าเป็นนักเรียนแต่นั่นเองเพราะมันจะทําใจง่ายเพราะว่าความรู้สึกรักชังเนี่ยมันจะไม่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกสังคมมันก็คงออกขนาดนั้นนะ น, นะคือความซื่อตรงระดับสังคมก็เรียกว่าตรงอย่างลูกรวยนะแต่ตรงอย่างไม่บรรทัดเนี่ยมันคงจะยาก ก็ตรงอย่าขนาดลุกล้ยพอดูได้ปัญธมคาสมาธิเนี่ยไม่ใช่คือคือตัววิชาเนี่ยวิชาแปลว่าความรู้มันตรงกันข้ามกับอวิชชาหมายความว่าตัววิชาในความหมายพุทธาสนานั้นจะต้องทำหน้าที่ขจัดโมหะออกไปโมหะลดลงไป โลภะก็ลดตามราคาก็ลดตามโทสะก็ลดตามนี่ก็เป็นความเป็นความถูกต้องนะเป็นความชัดเจนในหลักของพระพุทธศาสนาทีนี้วิชาที่เราเรียนส่วนใหญ่เนี่ยมันไปเพิ่มตัวตำหนามานนาทิชชิคื อ, อยางนึกว่ามันน่าจะมีการ วัดผลกันที่ความเปลี่ยนแปลงในด้านจิตใจแล้วคงไม่มีอะไรอื่นไปจากพระพุทธคุณนะฮะเอาเอาโครงสร้างพุทธคุณนี่มาวัดดูที่ปัญญาดูที่จิตบริสุทธิ์อยู่ที่โลกธัตน์คือการมองโลกมองชีวิตมองคนอื่นเมื่อเติมมีความรู้สึกต่อคนอื่นยังไง วันก่อนมีอ่านหนังสืออะไรถึงความคิดของคนคนนึงเออข้าทีเป็นความคิดที่เป็นความคิดสมัยก็เป็นเด็กคือเขาบอกว่ามันไม่ใช่ให้คนอื่นเมื่อเรารวยแต่ให้เมื่อเรามีให้ มีให้ก็ให้เออเข้าใจคิดแล้คนคนนี้เวลานี้ก็เป็นพิธีกรรายการดังนะได้รับรางวัลเยอะ็อย่างอ่านไม่จบแต่เราก็ชอบวิธีคิดเขาเออว่าก็ข้าวทีเป็นความคิดที่คมไม่ใช่ให้เมื่อเรารวยแต่ให้เมื่อเรามีให้ แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องดูว่าคนที่ควรแก่การให้ด้วยเพราะคนบางคนนั้นแล้วมีการหลอกลวงปลอมแปลง ร, รัฐเอกรีบคนอื่นถ้ า, าว่าเราใช้เกณฑ์ตรงนี้อย่างเดียวมันก็ยากมันงเงจะมีภาราผูกพันหรือในที่สุดเนี่ย เ, เราต้องให้ไปทุกครั้งที่เรามี แล้วถึงจุดหนึ่งเนี่ยปัญหาก็มาอยู่ที่เราคือโอนย้ายมาอยู่ที่เราปัญญานิชานี่มันต้องใช้นะต้องใช้ดูต่อไปจะเป็นยังไงต่อไปจะเป็นยังไงต่อไปจะเป็นยังไงอย่างนึกถึงระบบการคิดเนี่ยการคิดของอดีตประธานาธิบดีชโกสโลวาเกียสมัยก่อนนะี่ะนะฮะมีคนอธิบายเรื่องลทัทธิคมนิษฐ์ให้ทางฟัง เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเขาก็บ้าไป้วยแล้วท่านถามว่าต่อไปจะเป็นยังไงต่อไปจะเป็นยังไงต่อไปจะเป็นยังไงปรากออธิบายไม่ได้อันนี้คือลักษณะอย่างนี้เป็นแนวของปจจยาการคือไม่จะตัดสินเอาเฉพาะตรงนั้นแล้วต่อไปจะเป็นยังไงต่อไปจะเป็นยังไงต่อไปจะเป็นยังไงเราสังเกตว่าในบ้านเมืองเรามีเรื่องเยอะมากที่ไม่มอง ด้วยความรับผิดชอบต่ออง์รวมของความเป็นสังคมเนี่ยเพราถ้าตรงนี้เกิดต่อไปจากตรงนี้จะเกิดตรงนี้จะเกิดตรงนี้จะเกิดตรงนี้จะเกิดตรงนี้จะเกิดปัญหาบางอย่างเออนึกถึงวิธีการของมุตยานี่วราความขัดแย้งบางอย่างเนี่ยไม่ใช่หาข้อยุติโดยการชี้ว่าใครคนนั้นผิดมันชี้ไม่ได้แต่ก็ต้องนับหนึ่งกันใหม่คือยุติซะเลย เพื่อไม่กระจายความขัดแย้งให้กระจายครอบคลุมออกไปมากเกินไปดังนั้ถ้าเราลองนึกดูนะฮะเราลองนึกดูว่าถ้าเราไม่มีนโยบายร่วมพัฒนาชาติไทยตอนนี้เราก็ยังทะเลาะ ก, กันอยู่เนี่ยและปัญหาเหล่านั้นมันเป็นปัญหาอุดมการไอ้ส่วนบาปก็บาปปล่อยเข้าไปเขาก็รับผิดชอบเองแต่ใ น, นแง่สังคมเนี่ย ในแง่สังคมมันต้องหาทางยุติให้สังคมอยู่ร่วมกันโดยปกติสุขคือไปเรื่องแง่มุมหลายแง่มุมไม่ได้คือใช้ด้วยมิติอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เพระสิวเจ้าทรงใช้คำว่าตีนาวัถาร ก, กะคือกรบไว้โดยยาหมายความว่าตรงนี้มันมีโครนเลนโครนโตมสุขกบ ก, กก็ใช่แต่ว่า เราก็เอาย่าเอาฟังอะไรแต่มาโรยกลไไปได้ก็แล้วกันเพราะการมองเหล่านี้มันมันเป็นการมองในมิติหลายมิติคือไม่จะตัดสินจากมิติใดมิติหนึ่งตอนสมัยที่เขามีปัญหาเรื่องขุ่นเรื่องเสียสองเรื่องอะไรล่ะบ b บซอะไร กาที่เราคิดเออต่อไปเนี่ยตำรวจจะต้องมีความรอบรู้ในเรื่องเหล่านี้นะจะไปรับจากโรงเรียนในร้อยสามพรรอย่างเดียวคงไม่ได้อะเพราะต้องมีคนชำนาญเฉพาะทางในแต่และเรื่องแต่เรื่องมาทำงานในสายตรงนั้นแล้วก็ยังนึกเลยไปนะบว่าเวลานี้คือคือเราลองสังเกตสังคมไทยเนี่ยเขาเรียกว่า บุรพจารย์บุรพจารย์ทาการศารยเขเรียกว่าบุรพจารย์มันก็เป็นท่านมหาป ร, รีญญาที่ออกไปจากวัดแล้วก็ทางตุลาการเขาเรียกบรรพตุลาการตุลาการในอดีตเนี่ยเคยไปอ่านคำวิพากษภาษาสาันนิการแล้วเราก็ชื่นชมว่าโอโหภาษาสวยมากเลยแล้วก็บรรก่อนเนี่ย ทางสถาบันพัฒนาตุลาการท่านเอาคำสั่งคำพิพากษาสานิกาเก่าๆเนี่ยมาให้ดูเดีย๋ยวท่านให้มาชุดหนึ่ง อ, อ่านอยู่ระยะหนึ่งเออไเราะภาษาดีจังใช้ภาษาดีจังก็ทาให้นึกถึงว่าเออมันก็น่าจะมีคนที่รอบรู้เรื่องศาสนาเนี่ยไปอยู่ในส่วนทางด้านศาสนา แล้วก็มีความจําเป็นหมดทุกจุดเพราะว่าภาษาเนี่ยบางทีเราเราใช้ภาษาปากอย่างที่เราเคยถูกจีบกันเรื่องเรื่องอะไรเรื่องผู้มีบารมีอ่ะคือบารมีเปที่เป็นภาษาปากมันไม่ใช่บารมีของพระพุทธเจ้าหมายความาคนเนี้ยมีบารมีในในเรื่องเหล่านี้ยเช่นเช่น มีปัญหาคนก็ขัดแย้งกันมีคนคนหนึ่งนี่สามารถกับคนพูดกับคนสองฝ่ายนั้นได้เขาก็เรียกว่าเป็นคนมีบา ร, รมีทีนี้บา ร, รมีเราใช้จนจนเกลือบางทีเนี่ยแม้แต่พวกอะไรเจ้าพ่อพวกนายทุนใหญ่พวกมีอำนาจอิทธิพลทั้งหลายในกลุ่มตรงนั้นเขาก็เรียกว่ามีบา ร, รมีในกลุ่มตรงนั้นนะคนจะสมัครผู้แทนก็ต้องไปหาคนนั้น ก็เรียกว่ามีบารมีแต่ว่าพอบทจะหารเรื่องในตีความไปถึงไหนก็ไม่รู้ไอ้ที่จริงมันมันเป็นภาษาปากภาษาปากที่พูดกันไม่ใช่ภาษาจต่การเก็บการสะสมความดีเมื mm. ่อหาจริงๆเนี่ยเขาพูดถึงการเก็บการสะสมความดี mm. แล้วก็เป็นการพัฒนาตัวเองขึ้นไป ผลบารมีในเนื้อหานี่ที่จริงมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวหมายความมีใครมีบารมีในเรื่องอะไรเขาก็จะเินก้าวหน้าไปในเรื่องเหล่านั้นแล้วก็ต่อไปก็ใช้ผลจากบารมีธรรมมาช่วยเหลือเกื้อกูลต่อสังคมแต่แน่นอนว่าสรุปแล้วก็คือตัวตัว ต, ว, ตวพิ ช, ชานี่แหละก็เป็นตัวบารมีหลัก ก็ต่อไปก็คือธรรมะธรรมะในที่นี้ไม่ใช่ว่าในที่อื่นนะฮะพูดถึงในที่นี้ก็หมายถึงอะไรมากอีกสามข้อที่เป็นส่วนของกิตติกขาก็คือสัมมาวยามะแปลว่าความพยายามในทางที่ชอบเป็นกระบวนการทางจิตที่ทรงใช้เหมือนกันทุกแห่ง ลุกฝังความพอใจใช้ความพยายามกระทาความเพียรอย่างต่อเนื่องกันไปในการป้องกันบาปอากุศลที่ยังไม่เกิดแก้จัดบาปอากุศลที่เกิดขึ้นแล้วเพิ่มพูนกุศลที่ยังไม่เกิดรักษ า, ากุศลที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็พยายามต่อไปจนกว่าอากุศลจะหมดไปอย่างสิ้นเชิงและกุศลจะสมบูรณ์เป็นเป้าหมายเราก็สารภาพกับคำว่าวิริยนะนะดุกามาเจติคนลุงทุกได้ประความเพียร ในขณะเดียวกันก็สติก็คือสมารสติหรือแปลว่าสติมาแปลว่ามีสติตั้งจิตระลึกรู้อยู่ที่กายเวทนาจิตธรรมที่ยิงหมดแล้วนะฮะกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยหมายความมีสติอยู่กับเรื่องนั้นๆมีสติมีสัมปชัญญะมีวิริยะผสมกันหมายความในภาษนามันก็มีทั้งทั้ง จิตสิกขาและก็ปัญหาสิกขาโดยมีศีลสิกานี้เป็นฐานอยู่ธรรมะเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นก็จะรำหน้าที่ก็จะกิเลสประเภทโลภะประเภทโทสะหรือยินดียินร้ายหรือว่าในพระสูตรนี้ทรงใช้คำว่าอภิอภิชาและโทมนัตออกไปจากใจประการต่อไปก็คือสมาสมาชิ หมายความว่าตั้งใจมั่นคงหนักแน่นส ง, งบนิ่งไม่ถูกอาการของนิวรณ์โยครอนให้มีความวันไหวหมายความว่าใจส ง, งบจากกิเลสประเภทคว้าเข้ามาหาตัวประเภทผลักออกไปหรือประเภทซึ่งซึมประเภทฟุ้งซ่านประเภทเครือบแคลงสงสัยซึ่งก็เป็นความรู้สึกภายในใจ แต่ว่าใจที่มีลักษณะอย่างนี้ข้อใดข้อหนึ่งเนี่ยเป็นใจที่มีปัญหาแต่นี้ต่อไปเนี่ยท่านก็เอาที่ศีลศีลตรงนี้เราจะเห็นว่ากรรมเนี่ยท่านเน้นไปที่อะไรมรกคือสมะกมันตะเปิดคำ ว, ว่าศีลในที่นี้เฉพาะในที่นี้นะท่านเน้นไปที่สมหาวิจา การเจรจาในทางที่ชอบปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่มากเรื่องวาจานี้พูดกันเท่าไหรก่ก็มีปัญหาทุกทีในภาคสนามเพราะว่ามันเป็นเรื่องทั้งศาสตร์ทั้งศิลป์ทั้งคุณธรรม คือบางครั้งบางคราวเนี่ยเราจะเห็นว่าอย่างวันก่อนมีคนก็สอบถามเรื่องอาจารย์หมหาเทลัยแห่งหนึ่งที่พูดถึงลูกศิษฐ์ถามลูกศิษย์หนังสือพิมพ์ลงมันไปผูกจงกับท่านนายกคือว่าการตามความจริงเนี่ยเราไม่ได้ยินประโยคทั้งหมดแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นหมายความว่ามันมีปัญหาในกาละเทศะแล้วก็บุคคลแล้วก็ความเหมาะามควร มันไม่ได้ถามมาได้หรือไม่ได้แต่ว่าอย่าลืมว่าพวกภาคของการปฏิบัติเนี่ยมันจะต้องมองไปที่สัพพุริสธรรมให้ครบทั้งเจ็ดคือความรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักอรู้จักธรรมอันนี้ก็แล้วแต่นะเหตุผลกับอาจธรรมนั่นก็คือกันแต่รู้จักฐานะของตนรู้จักความเหมาะความควรรู้จักกาละรู้จักเทษะ ทีนี้เวร น, นี้มันพูดยากอ่ะแม้ความกาละมันอยู่อย่างหนึ่งแต่เทสะนี่มันกระจายไปแต่เช่นเราพูดอยู่ในในกุติของเราเนี่ยแต่ทีนี้พอไปเข้าสื่อเนี่ยมันกระจายไปที่เทสะอื่นแล้วกาละมันเปลี่ยนเวลาก็เปลี่ยนสถานที่ก็เปลี่ยนคนก็เปลี่ยน ล, ละเลยยุ่งแ่ะคนก็จะไม่เข้าใจเจตนา ซึ่งอาจจะเป็นเจตนานดีนั่นแหละแต่ว่าเราเห็นว่าบุคคลเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนไอ้แหล่งดั้งเดิมของข้อมูลเนี่ยคืออะไรเราก็ไม่รู้แต่ถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็มีปัญหาใน ก, นนร า, การนี้เนี่ยพระการที่พระเจ้าทรงวางไว้เนี่ยคือฐานความคิดเนี่ยต้องเมตตาต่อคนที่เราพูดด้วยหรือพูดถึง แต่ในขณะเดียวกันข้อความเนี่ยมันต้องมองในแง่ของเป็นทําไมจริงไหมมีประโยชน์ไหมโดยเฉพาะตัวประโยชน์มันเกิดประโยชน์หรือเปล่ามันมีความจำเป็นอะไรมากน้อยแค่ไหนมันเป็นรายละเอียดเพราะงั้นเราจะเห็นว่าโดยสรุปแล้วพระพุทธเจ้กาก็สอนระดับเวน้นก็เวนก็นี่แหละว่าจีทุจริต สี่ประการนี่แหละแต่อย่าลืมนะว่าวจีทุจริตสี่ประการเนี่ยมันมันมีอีกหลายด้านเราต้องเข้าใจว่าในตรงนั้นแหละมันเป็นธรรมไหมจริงไหมมีประโยชน์ไหมอยู่ด้วยมันจริงแต่มีประโยชน์ไหมหรือบางทีการนำความครั้งนี้มาบอกข้างโน้นมันเกิดประโยชน์หรือเปล่า คือบางอย่างเนี่ยมันเกิดประโยชน์ถ้เกิดประโยชน์ก็ไม่ใช่สอเสียเช่นว่าผู้ใหญ่ท่านหนึง่งทรงข่าวไปถึงผู้ใหญ่อีกท่านหนึง่งไละบอกเรื่องนั้นเรื่องนั้นแล้วก็นํามาบอกว่าได้บอกแล้วท่านก็ได้อธิบายชี้จแจงมาอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วมันก็ประสานสร้างและเป็นการประสานประสานสามัคคีมันไม่ใช่สอเสีย แต่ว่าลักษณะก็คือนำความข้อนี้บอกขน้นองความ ข, นนข้นูนบอกข้นี้แต่เจตนาเนี่ยมันต่างกันเพราะตรงนี้าท่านเรียกว่าเป็นศีลเฉพาะตรงนี้นะคือคืออย่าลืมเมื่อจริงๆแล้วเนี่ยมันท่านท่า น, น่าจะใช้คำห้าคำแต่ว่ามันไปผูกพันกับไอความรู้สึกของท่านที่มีต่อพระสัตรุดูด้วยและวันก่อนเป็นอาจารย์จาก มหาธรายเอแบกก็เป็นลูกศิษย์นะฮะ แ, แต่ตอนนี้ก็เป็นอาจารย์นะเขาก็เอาภาษตข้อหนึ่งมานัศยาโลกัตถโนโเราแปลกันมาตั้งแต่นานแล้วนะฮะแปลว่ายาทำตนเป็นคนรกโลกเ อ, อ่อบางท่านก็แปลว่าอย่าทำความเสื่อมให้เจริญหรืออย่าทำความเจริญให้เสื่อมก็ก็แปลกันไปเยอะมากนะ แต่วัฒนะเนี่ยเจริญเนี่ยที่จริงมันคือรกนะฮะเห็นว่าบ้านเมืองเจริญก็คือบ้านมืงมันรกขึ้นเนี่ยถ้าเราพูดถึงที่ไปที่มามันเป็นการพูดของประรบภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งกับหลานสาวของนางวิสาขามันมีลักษณะคล้ายๆกับคนหนุ่มสาวและมันกระเดียดไปทางพ่อแง่แม่งอน มันก็คล้ายๆกับอะไรล่ะปฏิสังยุยกับเรื่องเพศนิดหน่อยพระพุทธเจ้ากา็ทรงสั่งสอนว่าอย่าใส่ใจถึงถ้อยคําที่ไร้สาระของบุคคลอื่นหรือกิจการที่ทําแล้วหรือยังไม่ได้ทําของบุคคลอื่นแต่ให้สนใจไอ้สนใจถึงสิ่งที่ทําแล้วและยังไม่ได้ทําของเราอะแล้วก็อย่าทําตน อย่าทําโลกให้รกคือหมายความถ้าสึกไปก็มีครอบมีครัวมีลูกมีเต้าแต่มันก็เพิ่มประชากรขึ้นโลกมันก็รกเห็นถ้าเราเชื่อมโยงแหละใ น, นมันชัดอนะเป็นเจตนารมเฉพาะกรณีวัฒน์วัฒ น, ฒนก็เพิ่มขึ้นนะนะบ้านเมืองเจริญขึ้นก็คือบ้านเมืองรกมากขึ้นเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีปัญหามากขึ้น เป็นอาสวัฐานนิยธรรมคือปัญหาจะติดตามมาเยอะบ้านเมืองยิ่งเจริญเท่าไหร่เนี่ยความเสื่อมจะตามมาเท่านั้นเพราะงั้นกรอบตัวนี้ก็แล้วแต่ใครจะตีก็แล้วแต่ใครจะแปลความไปแต่ว่ามุ่งไปที่ประโยชน์เป็นประการสำกันเพราในคำว่าสีนเนี่ยท่านก็เน้นไปที่สัมมาวจา การเจราจาในทางที่ชอบโดยการเว้นจากคําเทศคือวิปลาสคราดเคลื่อนจากสิ่งที่ตัวเองสัมผัสมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจสมุนบาลีเวลาท่านใช้เนี่ยครับท่านท่านใช้ว่าได้เห็นได้ยินได้ทราบได้รู้หมายความได้เห็นมาด้วยตาได้ยินมาด้วยหูได้ทราบมาด้วยจมูกลิ้นกายเลยรู้มันด้วยใจบางอย่างเนี่ย ใจของกวีเขารู้อย่างนี้แหละเราก็อยอมรับเขาว่าเป็นความถูกต้องในความรู้สึกของเขาแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันก็ต้องมองไปที่ประโยชน์ว่าถ้ายังไม่ได้ประโยชน์มันก็ไม่จําเป็นถึงจริงก็ไม่ได้ประโยชน์ก็ไม่ต้องพูดแล้วนงงดเว้นวาจาที่โสเสียคือยุยงให้เกิดความแตกแยกเป็นเจตนาเบียดเบียน เอ่อเป็นเจตนาอาจจะเป็นโลภะอาจจะเป็นริษยาอาจจะเป็นแข่งดีอาจจะเป็นเบียดเบียนอาจจะเป็นความโกรธอาจจะยืมดาบฆ่าคนซึ่งเยอะมากเลยะเนี่ยกิจกรรมในแนวยืมดาบฆ่าคนเนี่ยใช้กันเยอะเหลือเกินคือใครจะมองอยังไงไม่รู้นะฮะคือถ้าอ่านหนังสือพิมพ์หรือฟังวิทยุหรือดูโทรทัศน์เนี่ยอาจจะเห็นว่า วุฒิภาวะในความรับผิดชอบต่อสินธรรมอันดีของประชาชนมันลดลงไปเยอะคือมีความคิดในเชิงที่เป็นธุรกิจแล้วก็ต้องการวิพาก ค, คนอื่นก็หยยบย่ำชั้นเติมนะมันเป็นความรุนแรงเพราะแนวยุยงเนี่ย บางทีเราเจรู้วิาจารมันบิดเบี้ยนแต่ว่าตัวเองทําไม่ได้มันก็เลยใช้วิธีการยืมดาบฆ่าคนบางทีก็ผลักไข่ใส่หินไอใส่หินหรือเอาหินใส่ไข่ไข่ก็แตกทั้งนั้นแนวตัวนี้จะเป็นแนวอันตรายแล้วเวลานี้สื่อสารนี่จะจะจะเยอะมากความคิดในแนวเนี้คือเรื่องบางเรื่องจะมีการปลูกระดมการใส่ร้ายป้ายสีอะไรต่างต่างกัน ไม่เสนอได้ไหมเพราะถ้าเรามองถึงเจตนาดีต่อสังคมว่าสังคมได้อะไรล่ะสังคมได้ประโยชน์อะไรจะการนาเสนอในเรื่องเหล่นั้นแหละแล้วก็ที่จริงมันก็เป็นลีลาอารมณ์เป็นลีลาอารมณ์เป็นเบื่องของความคิดเห็นของคนเหล่นั้นก็ยังนึกถึงช่วงนี้ก็ พอดีบรรยายในรายการรู้ทำนำชีวิตทางโมเด r ร์ i ไนทีวีตอนนี้ก็เฉพาะวันพุธตอนตีสี่ครึง่งแต่ปรากฏว่าแต่ละรายการเนี่ยเกิดโดนใจคนขึ้นมาก็แต่ละพุธเนี่ยมันจะมีคนติดต่อมาเขาก็พีบ้างะอะไรแนตะ่ในที่สุดก็ตอนนี้ธรรมสภ า, าเขาขอไป ทำเผยแพร่ไปรูปอะไรแหะเขาเรียกว่าดีวีดีนะฮะทำรูปดีวีดีเผยแพร่เราคงจำนายในราคาเผยแพร่ก็พยายามเชี่ยเห็นเรื่องความสมานสามัคคีแต่ก็เน้นไปที่ประบาทสําเร็จไปจนอยู่หัวคือรายการพวกนี้จะมีอยู่สองรายการรายการรู้ธทำนําชีวิตกับรายการมองโลกมองธรรมเนี่ยจะพูด ระจริยาวัดพระราชด âm รัดส่วนใหญ่พระราชด âm รัฐนะของระบาสเดจพระเจ้าอยู่หัวตลอดไปทั้งปีสี่เก้าแล้วก็ห้าศนเพื่อต้องการให้เห็นว่าพระราชดรัดเปน็นมากที่จริงก็มาจากพระไตรวิโกกันแหละแล้วก็ส่งแสดงไว้ในโอกาสต่างๆแม้แต่ในวันที่9เนี่ยที่จริงก็เป็นวันที่9ามิถุนาที่จริงก็เป็นสารานยธรรม แต่ก็ต้องการเน้นย้ำไม่เห็นว่าการที่ประวัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีวันนี้พระทรงมีการศึกษามีการปฏิบัติธรรมจนเราสัมผัสได้แล้วก็โดยครองแผ่นดินโดยทําเพื่อประโยชน์สู่แก่มาชนชาวสยามนี่แหละเพราะพระจัมรัดเหล่านี้จะมีลักษณะสะท้อนความจริงที่มีประโยชน์แก่ผู้ฟัง แล้วแต่ว่าจบลงด้วยเทียบเคียงกับพระพุทธธรรัรดตลอดลนะฮะ ค, คือเทียบเคียงให้ดูว่าที่จริงแล้วเนี่ยมันก็ลงกันสมกันกับพระพุทธธรรระที่เราเรียกว่าเป็นพุทธศาสนสุภาษิตต้งลงว่าชีวิตที่อุดมในความหมาย ในความหมายในที่นี้นะฮะคือคืออย่าลืมมาท่านท่านอนาถบินเอกเศรษฐีเนี่ยท่านมีศีลสมบูรณ์สมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณแล้วก็ท่านบังเกิดเป็นเทพบระบทุที่สวรรค์ชั้นดาวดึงตัวชีวิตอุดมในความหมายของท่านก็คือหมายถึงชีวิตที่มีความไม่มีความบกพร่องในเรื่องศีลเอาตรงนี้ก่อน คล้ายๆกับอะไรล่ะคือมัธยมบริบูรณ์นะมัธยมบริบูรณ์ไม่ใช่จบระดับปัญญาเอกเพราะว่าศีนี้ก็ถือว่าเป็นชั้นหนึ่งเป็นระดับหนึ่งแต่พอเราประพฤติปฏิบัติให้มีความบกพร่องในเรื่องศีนชีวิตเราก็อุดมอยู่ในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ใช่สมบูรณ์พระสิทชุดเนี้ย วัดหมาทาทาประจันเนี่ยตั้งแต่ผู้ใหญ่หลายรุ่นมาจะนำมาเผยแพร่ในเอกสารต่างนี้จะเยอะมากกำมังวิชาจะทำโมจะสีลังชีวิตตมุตตมังเอเตนะสตาสุชนตินะโกเตนะนัทเนนวาความบริสุทธิ์หมดจดของสัตว์ทั้งหลายนั้น มีได้ด้วยกรรมโดวยวิชาโดยธรรมะแล้วก็ด้วยศีลแล้วก็ชีวิตอนุดมไม่ใช่โดยโคตแล้วก็โดยทรัพย์ไม่นี่ก็เป็นวาทกรรมก็ถือว่าเป็นพุทธศาสานสุภาษิตพระเจ้าทรงอนุโมทนาก็เหมือนกับพระพุทธภาสิาแต่เราเรียก ร, มรวมๆว่าพุทธศาสานสุภาษิต คือคำที่กล่าวกันดีแล้วในพระพุทธศาสนามีธานะเป็นอากาิโกคือไม่ขึ้นอยู่กับการเวลาเหมือนกันท่านฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปฐุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นตน่านี้ที่สุดนี้ข้อความเจริญง้อ ง, งามไปบุญในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี